ธรรมบทแปลเรื่องที่111เรื่องอุโบสถกรรมภาคที่หเรื่องที่ห้าของวรที่สิบท่านทวักวรนน า, นาข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในบุภารามทรงปรารบอุโบสถกรรมของอุบาสิกาทั้งหลายมีนางวิสาขาเป็นต้นตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า ยาท่าดันเดนโคปาโลเป็นต้นตอนหญิงรักษาอุโบสถมุ่งผลต่างๆกันดังได้สดับมาในวันอุโบสถวันหนึ่งหญิงประมาณห0 0คนในนครสสวัฏถีเป็นผู้รักษาอุโบสถได้ไปสุวิหารนางวิสาขาเข้าไปหาหญิงแก่ ในจำนวนหญิงห้าร้อยนั้นแล้วถามว่าในแม่ทั้งหลายพวกท่านเป็นผู้รักษาอุโบสถเพื่ออะไรเมื่อหญิงแก่เหล่านั้นบอกว่าพวกฉันปรารถนาทิพิเสมบัติจึงรักษาอุโบสถถามพวกหญิงกลางคนเมื่อพวกหญิงเหล่านั้นบอกว่าพวกฉันรักษาอุโบสถก็เพื่อต้องการพ้นจากการอยู่กับหญิงร่วมสามี ถามพวกหญิงสา ว, สาวเมื่อพวกเขาบอกว่าพวกฉันรักษาอุโบสถก็เพื่อต้องการได้บุตรชายในการมีคันคราวแรกถามพวกหญิงสาวน้อยเมื่อพวกเขาบอกว่าพวกฉันรักษาอุโบสถเพื่อต้องการไปสู่สกุลผัวแต่ในวัยสาวสา ว, สาวนางได้ฟังถ้อยคำแม้ทั้งหมดของหญิงเหล่านั้นแล้ว ก็พาพวกเขาไปสู่สำนักพระศาสดากราบทูลความประสงค์ของหญิงเหล่านั้นตามลำดับตอนสัพสัตว์ถูกส่งไปเป็นทอดทอดพระสาชสดาทรงสดับคำนั้นแล้วตรัสว่าวิสาขาธรรมดาสภาวะธรรมทั้งหลายมีชาติเป็นต้นของสัตว์เหล่านี้เป็นเช่นกับนายโคบาล ที่มีท่อนไม้ในมือชาติทรงสรรพสัตไปสู่สำนักชราชราส่งไปสู่สำนักพยาธิพยาธิส่งไปสู่สำนักมรณะมรณะย่อมตัดชีวิตดุดบุคคลตัดต้นไม้ด้วยขวานแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นปวงสัตว์ชื่อว่าปรารถนาวิวัตตะคือพระนิพพานย่อมไม่มีมัวแต่ปรารถนาวัตตะเท่านั้น ดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานีว้ว่ายะท่าดันเดนโกปาโลกาโวปาเจติโกจรังเอวังยะราจะมัดจุจะอายุงปาเจติปานินันตินายโคบาลย่อมต้อนโคทั้งหลายไปสู่ที่หากินโดยถอนไม้ฉันใด ชราและมัจจุยอมตอนอายุของสัตว์ทั้งหลายไปฉะนั้นแกะบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปาเชติความว่านายโคบานผู้ฉลาดกันโคทั้งหลายตัวเข้าไปสู่ระหว่างคันนาด้วยท่อนไม้ตีด้วยท่อนไม้นั้นนั่นแหละนำไปอยู่ชื่อว่ายอมตอนโคทั้งหลายไปสู่ที่หากิน ซึ่งมีหญ้าและน้ำหาได้ง่ายสองบทว่าอายุงปาเจนติความว่าย่อมตัดอินซีคือชีวิตคือย่อมยังชีวิตอินซีให้สิ้นไปในประกาฐานี้มีคำอุปมาอุปไมยชนิดว่าก่อชาราและมัจจุเปรียบเหมือนนายโคบาลอินซีคือชีวิตเปรียบเหมือนฝูงโครมรณะ เปรียบเหมือนสถานที่หากินบรรดาสภาวธรรมเหล่านั้นชาติทรงอินทรีย์คือชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไปสานักชราชราส่งไปสู่สานักพยาธิพยาธิส่งไปสู่สานักมรณะมรณะนั่นแหลตัดชีวิตตินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายไปเหมือนบุคคลตัดต้นไม้ด้วยขวานฉะนั้นในการจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องอุโบสถกรรมจบ